ปัญญินีอินทรีข้อต่อไปที่อาจขาดได้คือวิริยะดังนี้ในปินโทละพารัวาชสูตรสังยุตติกายมหาวาระมีพุทธพ์ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเจริญแล้วทำให้มากแล้วซึ่งอินทรีสามอย่างภิกษุชื่อปินโทละพารัตวาชะได้พยากรอรหัตผลแล้ว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 ซึ่งอินทรีสองอย่างพิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วย่อมพยากรอราตผลได้อินทรีสองอย่างไหนได้แก่อริยปัญญาและอริยวิมุตตออริยปัญญาของพิสุนั้นนั่นแหละเป็นปัญญินทรีของเธออริยวิมุตตของพิสุนั้นนั่นแหละเป็นสมาธินทรีของเธอในขั้นสุดท้าย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 เพราะเจริญแล้วทําให้มากแล้วซึ่งอินทรีหนึ่งเดียวภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วย่อมพยากรณ์อาราธผลได้อินทรีหนึ่งเดียวอย่างไหนได้แก่ปัญญรียที่ว่าฝึกอบรมเฉพาะอินทรีย์ที่จําเป็นเพียงสหรือสหรือสองหรือหนึ่งนี้มิได้ไหมายความว่าไม่ต้องมีอินทรีย์ที่ไม่มีชื่ออยู่ด้วยเสียเลยทีเดียว